บุกทูเจ็ดสิบหกเหตุผลบางประการสองทําไมคุณไม่ได้มาล่ะครับผมไม่สบายครับ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 Яна не прийшла, ท о б บ л а с т о м л е н а ทำไมเขาถึงไม่ได้มาล่ะครับ ч ำ м у ён не п р ไ й ш о ดเขาไม่มีอารมณ์ครับเขาไม่ได้มาเพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาครับ Ён не п р и й ш о ษ бо у яго не б ต л о жадання ทำไมพวกเธอถึงไม่ได้มาล่ะครับ ทำไมเราไม่มารถของเราเสียครับเราไม่ได้มาเพราะรถเราเสียครับทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่มาครับพวกเขาพลาดรถไฟครับ พวกเขาไม่ได้มาเพราะพวกเขาพลาดรถไฟครับทำไมคุณถึงไม่มาครับมผมไม่ได้รับอนุญาตมผมไม่มาเพราะไม่ได้รับอนุญาต Я не прийшла, бо мне было нельга.